ว่าอพวกทานพวกทานศีลปัญญาอย่างเงี้ยอาจารย์เวลาเวลาเราจะเชื่อมจะใช้อายการกายภาวนาผูพอเข้าใจกายกายกายละศีลอ่าพอเข้าใจแล้วกายที่ใช้เกี่ยวกับวาจาอย่างเงี้ยอาจารย์ซึ่งวาจานั้นจะมีโกหกใช่ไหมครับแล้วก็พูดอ่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงอาจารย์ในการใช้ใช้วจีภาวนาอย่างเงี้ย อาเนเลยกายเวทนาจิตทำมันหมายถึงสอารมณ์เขาสีประทางครับสี่ใช่ครับทีนี้เวล า, เ, วลาเราภาวนาใช่ไหมครับกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาครับผมทำไมครับเวลาเวลาเราใช้แต่บาลังกับคำพูดเนี่ยอวัตจีภาวนาเนี่ยเราทำยังไงเพือเรียบรื่นภาวนาอ๋อเ็อย่างนี้จริงจริงต้องถ้าพูดเรื่องภาวนาก็ต้องแยกเป็นภาวนาอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า กายกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าบอกว่ากายเนี่ยนะกายกรรมที่เป็นทานกุศลเป็นยังไงวจีกรรมที่เป็นทานกุศลเป็นยังไงมโนกรรมที่เป็นทานกุศลเป็นยังไงกายกรรมที่เป็นศีลกุศลเป็นยังไงวจีกรรมที่เป็นศีลกุศลเป็นยังไงแล้วก็มโนกรรมที่เป็นศีลกุศลเป็นยังไงกายกรรมที่เป็นภาวนากุศลเป็นยังไงวจีกรรมที่เป็นภาวนากุศลเป็นยังไงแล้วก็ มนโนกรรมที่เป็นภาวนากุศลบนี้ก็แยกก็แยกคไอ้ตัวอื่นผมเข้าใจแต่คืออ่าก็ต้องแยกแบบนี้เวลาแยกครับอากายกรรมที่เป็นทานกุศลก็เวลาเราหยิบของเนี่ยไปให้ไปสละแล้วใจเราก็น้อมสละไปด้วยอย่างนี้ก็เรียกกายกรรมที่เป็นทานกุศลถ้าวจีกรรมที่เป็นทานกุศลก็พูดไงเนี่ยเฮ้ยวันของนี้ดีนะนี่ฉันให้ ยัอเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายนะเ<อ>นี่ยมีจิตให้ด้วยแล้วปากพูดไปอย่างนี้ถ้นาเราว่าเนี่ยวัจจีกรรมที่เป็นทานกุศล<อ>ถ้าโมโนกรรมเป็นทานกุศลก็กายวาจาอยู่นิ่งๆ น, นั่นแหละแต่จใจมันคิ ด, คดเราจะหาสิ่งนี้ให้คน น, นั้นคนนี้สละแบ่งปันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกโมนโนกรรมที่เป็นทานกุศล<อ>ถ้าก า, า, า, า, ายากรรมที่มันเป็นศีลกุศลเป็นยังไงก็ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่เป็นศีลทั้งหลาย การยืนการเดินการนั่งการทํากิจกรรมที่เป็นไปกสิสีปัดกวาดเช็ดถูทํากิจกรรมทั้งหลายใจก็น้อมถึงว่าเราได้ทําจารีตทําประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพิฆาเป็นผู้สอศีลปลื้มใจสุขใจในขณะทําไปเนี่ยกิจกรรมเป็ศีลกุศลถ้าวิจีกรรมเป็นศีลกุศลก็ไม่ใช่ทำแค่พูดเลยว่าโอ้เป็นบุญญาลาภของเราเนาะเราได้ประพฤติปฏิบัติตามศีลแล้วก็เชิญชวนคนอื่นด้วยว่าปฏิบัติตามศีลมันดีอย่างไรเป็นต้นเหล่าเนี้ ใหวิจีกรรมก็เป็นศีลกุศลถ้ามโนกรรมเป็นศีลกุศลก็พิจารณาถึงโอ้เรามีกายกรรมวิธีกรรมอาชีพที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างไรและเราจะทําอย่างไรที่จะเป็นกายกรรมวิธีกรรมและอาชีพให้สะอาดหมดจดเป็นต้นเหล่านี้มนโนกรรมก็เป็นศีลกุศลถ้ากายกรรมเป็นภาวนากุศลก็เดินดิเดินรอบพระเจดีย์เป็นต้นแล้วก็หรือเดินไปไหนก็ได้ตึกพุทธคุณครับผมใจก็น้อมถึงพุทธคุณโอ้เราได้ใช้กายนี้มาบูชาพระเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ไหมกายกรรมเป็นภาวนากุศลทันี เราเดินไประลึกกว่าเราประทับศีลวางเสัการะบูชาเนี่ยเนี่ยก็ละกายนำเป็นภาวนากุศลแล้ววัจัยกรรมเป็นภาวนากุศลก็สวดด้วยอิติปิโสพระกวาอัฏฐังสมาใจกันเนาะบูชาคนขุนเจ้าถ้ามโนกรรมเป็นภาวนากุศลนั่งนิ่งๆไงนอนก็ได้แล้วก็คิดถึงคุนขุนเจ้าไปเนี่ยใครคนรธรรมะได้ไหมอจารได้นั่นแหละพรามโนกรรมก็เป็นภาวนากุศลหลักการแคเนี้ครับครับ ก็คือเอาเอาธรรมะของผู้เช่ามามาไขว่กวนไปเรื่อยๆนี่ก็แยกให้มันออกว่าอะไรเป็นกายวายเวชนะอะไรเป็นกายอะไรเป็นเป็นวาจาอะไรเป็นจิตแล้วเรายิ่งเราเราเราพูดด้วยแล้วเราลึกถึงด้วยในช่วงขณะเราสวดมนต์เนี่ยเราลึกถึงคุณตามความหมายของมันต้องแยกให้ออกถ้าเราลึกแล้วพูดเป็นวจีกรําถ้าเราลึกแล้วทําเป็นกายกรรมถ้ากายวาจาอยู่เฉยๆใจเราลึกอย่างเดียวถึงเป็นมโนกรรม แยกมันออกอย่าม่วนี่นีนี่ตรงนี้แหลกแยกแยกแยกไม่ออกจารแล้วไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเออมันมันซับซ้อนเนี่ยชอบม่วงเงี้ยไม่ดีก็เลยแยกไม่ออกอะไรเป็นอะไรเป็นกายกรรมวจีิกรมโนกรรมกายกรรมที่เป็นทานยังไงกายกรรมที่เป็นศีลอย่างไงกายกรรมที่เป็นมโนที่เป็นภาวนายังไงครับผมกายกรรมที่เป็นศีลอย่างไงกายกรรมที่เป็นวัจีกรรมที่เป็นศีลอย่างไงมโนกรรมที่เป็นศีลยังไงครับผม กายกรรมที่เป็นโานาอย่งไรวิีกรรมที่เป็นภาวนาอย่งไรมโนกรรมที่เป็นภาวนาอย่งไรก็แยกมันดูใช่ถูกไห้ชัดงั้นแสดงว่าในในการเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราเราสามารถทําได้ตลอดในการเจอคนอื่นได้ได้มึงเจอเราทําคนเดียวก็ได้ครับอืมทำคนเดียวก็ได้เวลาเดินไปแล้วเราเลือกถึงคุณของพาไปอ่ะตอนนั้นเป็นอะไรเอ่อเป็นมโนครับกายเอ้าเป็นกายล้วเดินไปเราเดินอยู่มันไม่เป็นกายได้ไงครับเดิน เดินไปด้วยคิดถึงคุณของพระรจ่าไปด้วยนั่นแหละกายกรรมเป็นภาวนาอุสนถ้าสาธยายคุณอสจิตก็คิดไปด้วยสาธยายคุณไปด้วยเนี่ยวัจจกรรมเป็นภาวนาอุสนทํากายว่าทํากายทําวาจาให้นิ่งอยู่แต่จิตคิดนี่มโนกรรมเป็นภาวนาที่นเนี่ยผมยังไม่ได้ฉันเลยตรงนี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรจะไปฟังเพิ่มก็คือถ้า ถ้ากายเดินอย่างเดียวแต่ว่าจิตไม่ได้คิดขับเน้นวิที่มโนกรรมเพราะมโนกรรมมันขับเคลื่อนกายกรรมทีนะถ้าถ้าถ้าจิตไม่ได้คิดเนี่ยอย่างเดียวตัวอย่างไหนว่าเวลาเราเดินรอบเจดีอ่ะแต่เราคิดคนนั้นสวยจบเลยไก่ทำเป็นเภานาไหมไก่ไก่เป็นอยู่ไม่เป็นเลยอ๋อไม่เป็นเลยเลยไม่เป็นแล้วก็ตอนนั้นโหยนั้นสวยทํำไงที่จิตได้เมื่อกี่วันฉับตรงนั้นเลยใช่ไหมเนี่ย ตอนนั้นเป็นไงอ่ะกายกรรมเป็นภาวนาไหมไม่ได้เป็นตอนนั้นจิตมันคิดแล้วก็เดินเดินเดินเดินเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยไม่ได้เป็นอะไรเลยกายกรรมกายกรรมก็เป็นทุจริจดด้วยมโนกรรมมันทุจริจนี่ตัวผักดั่นที่เดินอย่ครับนี่อย่างนั้นก็แสดงว่ามโนกรรมมันมีผลเยอะกว่าก็มีอยู่แล้วก็อย่างอ็ อิตีปิโสภควาหลังสัมมาท่องคล่องเลยนะใจมันคิดกูท่องกูมีแผนเดี๋ยวมองว่ากูเป็นคนดีแต่เสร็จจากท่องเสร็จแล้วกูนักอีกคนดนึงไว้ทางไหนแต่แต่พี่พี่ก่อร์กิอนอาจารย์ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสิเราบกพร่องหรือขาดหรืออย่างอยแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไง อย่างอย่างพระก็จะมีการปงอบัตแต่อย่างอย่างญาติโยมอย่างผมเนี่ยจะสมถานใหม่สมถานใหม่ครับเจ้าจะไม่ประพฤติสิ่งนั้นอีกต่อไปอย่างเนี้หรือครับก็ผิดถ้ายอมรับผิดเป็นบัณฑิตได้แต่อย่าเป็นบัณฑิตบ่อยทำเพื่อเกินไปใช่ไหมเดี๋ยก็ผิดเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เยมันจะเคยชินเป็นธรรมดาเป็นพระต้องอบัตอ๋อพงอบัติบ่อยๆต้องอีกแล้วแล้วมาปงอีกต้องอีกแล้วมาพงอีกอมันได้สำรวมระวัง แต่ม่เราเนี่ยไปไปไปนอกใจภรรยาไปแล้วกลับมาตั้งใจมัสมาทานศี้นทันทีแล้วก็พุ่งเนี้ยไปไปไปไปผิดพลาดอีกแล้วก็กมาสมาทานใหม่ก็ที่เราหลอกตัวเองไหมกันหลอกไปนั่นแหละแบบนี้เยอะครับไปงานไหนก็รับแต่ศี้นเงอยู่นั่นเลบ พรมีสิทธิ์เยอไงนั่นเลยให้นันมีหน้าที่ให้อาจารย์กลับ ม, มาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเพราะอย่างนั้นนี่ถ้าถ้าเกิดเราเวลาเราสอบตัวเองเราโน้มตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเรื่องเรื่องมโนกรรมนี่เป็นเป็น เ, น เ, น เ, นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใหญ่เราต้องโน้มเข้าให้เข้ามโนกรรมก่อนแล้วมันจะได้ออกมาทางวัจีออกมาทางกายต้องเข้าใจก่อ น, น ม, มโนกรรมเป็นเรื่องใหญ่มันแปลว่ามโนกรรมมันควบคุมทั้งหมดครับแต่ถ้ามโนกรรมมันเป็นมิจฉาทิฏฐิโอมันก็ควบคุมทั้งหมดการมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไปหมดเลยทั้โห ยิ่งเนื้อเาเอไม่ไม่ไม่งั้นก็ไม่งั้นไม่ไม่รู้นะผมเข้าใจผิดหรือถูกอาจารย์อาจารย์หลวงยังงั้นเพราะฉะนั้นก็คือในด้านศาสนาพุทธเนี่ยทางด้านกายก็ก็ไม่เอาแล้วไม่ทิ้งทางใจก็ไม่เอาก็ไม่ทิ้งต้องพูดว่าในบรรดากรรมที่หนักที่สุดมโนกรรมมีโทษมากแล้วก็มีคุณมากใช่ไหมล่ะครับผมฉะนั้นพระเจ้าจึงให้ความสาคัญที่มโนกรรม มากกว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นมามาจากมโนกรรมทังนั้นรถคันนี้ที่มันออกมาเป็นรถได้มาจากมโนกรรมนะเนี่ยเป็นตัวกำกับมาครับหรือว่าโรคบนี้ที่มันจะเจริญหรือเสื่อมทั้งหลายก็มาจากมโนกรรมทั้งนั้นครับเครื่องบินที่มันบินขึ้นอากาศได้ก็ไอ้มโนกรรมทั้งนั้นแหละหรือว่าระเบิดพลังมโนที่มันทำลายล้างก็มาจากมโนกรรมทั้งนั้นแหละเทคโนโลยีทั้งหลายที่มัน มันขึ้นมาเต็มไปหมดในโลกแบนี้ก็มนโนกรรมเั้านั้นแหละครับยังไงมนโนกรรมมันเป็นใหญ่ให ญ, ใหญ่กว่ากายกรรมและวจีกรรมอนีกโอเคเค ข, ข้าใจถูกโอ้ยางงั้นแล้วเราต้าองฝึกหัดหัดหัดโน้มในสิ่งที่ดีก่อนแล้วก็ค่อยคนที่จะไปรู้ทําได้มันรู้ทางมนโนกรรมใช่ไหมค<ข>รับจะทําอันันตะิยกรรมได้ก็มาจะมโนกรรมนี่แหละคป็ตัวกํากับสําคัญตรงนี้แหละครับจะลงอเวจี มนัมนอันลอไฝมันนอนกามนี่แหละอเป็นตัวกํากับครับครับเป็นรายใหญ่มีจ่าที่ถีนี่เองครับอ่าอันนี้ก็ย้อนย้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นในในใ น, ใ น, ใ, นในปกติคนเราปกติคิดว่าผ ม, ผมเป็นปกติเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยควรควรจะโน้มจิตใจยังไงครับเพื่อเพื่อที่จะให้อยู่ในร่องในร้อยในการปฏิบัติธรรมหนึ่งอังนดับแรกก็ต้องได้ข้อมูลนี้ถ่กครับเพราะ ให้เขาเกิดหนึ่งเชื่อก็อเกิดความเชื่อในพระรัตนตรัยในศรัทธาแล้วมันก็เข้าไปหาใช่ไหมครับผมก็เข้าไปหาก็เข้าไปใกล้กับไปนั่งใกล้ามานั่งใกล้ก็เงี้ยวอย่างหูลองฟังพอฟังก็ตั้งมนัตสิการในการที่จะรับรู้เมตั้งจิตในการที่จะรับรู้ไปเสร็จก็ฟังสื่อความเกล็ลบซือความในส่วนจริงมันจะประจับขึ้นมาจากการฟังครั บ, รบแล้วก็มันจะได้น้อมนําสิ่งที่ตนเองฟังนั้นเข้าไปการขัดเกลาในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ถ้ามันขาดเสร็จเรงการฟังและจบเลยในศาสนาเนี้ยอ๋ออันนี้คือสําคัญมากอ๋อเพรางนั้นก็คืออินซีห้าเนี่ยห้าคิดเองครับห้าขีดเองอินซีห้าคูณบริบูรณ์ไหมครับถึงจะมีพละห้าจ้ะต้องฟังแล้กันการฟังตรงนั้นนี่มันก็ต้องบ่มอินซีห้าพละห้ามันต้องบ่มอ๋อการบ่มก็คือการฟังนั่นเลยการศึกษาเนี่ยครับแต่ต้องรู้ความรู้